อย่างการเจริญเมตตาเนี่ยเรแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจะไม่มีดวงปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นจิตก็ทําความสงบประนีตไดนะ้คนไหนขี้มโมโหก็แผ่เมตตาไปเรื่อยวิธีแผ่เมตตาไม่ต้องไปเข็นเมตตาออกจากใจแผ่แผ่แบบนี้นะไม่ไปหรอกเมตตานะแต่แรกก็นั่งนึกเอานั่งนึกเอานะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยย ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญที่เราทําแล้วทั้งหมดด้วยเถอะนะทุกๆคนทุกๆคนอะไรเน้นนึกไปเรื่อยนันึกอย่างนี้เรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆนะยใจมันค่อยๆเย็นขึ้นมาใจค่อยสงบสบายพวกขี้โมโหนะแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแผ่ทั้งวันเลยก็ได้ใจก็จะค่อยเย็นๆมีความสุขขึ้นมานพวกขี้โลภพวกราคะมากอะไรเนี่ยจะพิจารณาร่างกายดูร่างกายเป็นส่วนๆ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 ก็คือต้องถึงชา้นที่สองลาวิตกลาวิจารณ์ก่อนมีวิตกคือการตรึกอยู่ในอารมณมีวิจารณ์คือจิตส่งออกไปเคล้าเคลียกับอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นปฏิภาคนิมิตเป็นแสงสว่างเดเราจิตเข้าไปจับอยู่ที่แสงอยู่นี่นะยังไม่มีตัวรู้นะถ้ารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับปฏิภาคนิมิต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 หรืนั่งแล้วก็เคลิม ง, งอกงอกแงะแขาดสตินะใช้ไม่ได้เลยนะ <_ d ata> จิตไม่ได้มีความคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานเลย <_ d ata> จิตสลึมสลือหรือจิตเที่ยวเห็นโน้นเห็นนี้ออกข้างนอกไปนะ <_ d ata> จิตไม่อยู่กับฐานใ <_ d ata> นสิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะ <_ d ata> ถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเอง <_ d ata> จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมืจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตหนีไป